ภายหลังการสอบซักไซายไร่เลียงกันอยู่ครู่ใหญ่และวพินก็หันไปบอกความตอกแก่คณะนายจ้างของเขาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเราเสียชีวิตรูปภาพของเราไปอีกคนหนึ่งแล้วครับคนที่ให้ย้อนเป็นหนองน้ําแห้งกับบุญคํานั่นแหละไอ้แหว่งมันขยีเขาเสียเมื่อกลางวันนี้เองบุญคําก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดดีแต่หนีเข้าไปในพงน้ําไผ่เสียทันเชี่ยวถางานไปครู่ใหญ่ส่วนดาลินกับชายยันลืมความเหน็ดเหนื่อยที่บุกป่ามาทั้งวันไปหมดสิน้น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 เขากับอินจึงต้องเพ่นหนีโรงป่าข้างทางไอ้แหว่งกับโครงของมันทั้งหมดแทนที่จะผ่านพ้นไปกับแผดเสียงดุดร้ายสนันป่าพากันยกขยงขับมาติดติดอย่างหมายชีวิตทั้งบุญคำและอินจึงต้องใช้ปืนลูกซองเดียวประจำมือยิงพลางวิ่งหนีพางแต่แล้วอินผู้เคราะห์ร้ายก็วิ่งไปสะดุดเถาวันล้มกลิ้งลงอันเป็นเวลาเดียวกับที่ไอแหว่งผู้นาโคลงติดตามเข้ามาถึงภาพที่บุญคามองเห็นก็คือ ร่างของอินถูกมัดด้วยงวงขนาดใหญ่ชูกวัดไกวขึ้นท่ามกลางเสียงร้องโหยหวนของลูกหาผู้เคราะหร้ายชั่วพริบตาเดียวมันก็โยนร่างของอินรอยะระลิ้วเข้าไปกลางโขงที่กำลังวิ่งสับสนตามมาจากนั้นเขาก็ไม่เห็นอะไรอีกมีกำลังอยู่เท่าไหร่ก็ตะ ก, กายไปจนสุดฤทธิ์แม้กระทั่งปืนในมือที่ถืออยู่ร่นหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รูพบตนเองเข้าไปซุกอยู่ในโคลนกอผายใหญ่อันเต็มไปด้วยน้า ไอ้แหว่งกับโครงของมันคงติดตามอย่างกระหายเลือดเข้ามาวนเวียนร้อมกอไผ่ที่เขาหลบกำบังอยู่และเฝ้ากันอยู่ที่นั่นเป็นเวลากว่าชั่วโมงเต็มก่อนที่จะนำโครงพระจากไปเมื่อเห็นว่าพวกมันไปไกลแล้วเขาจึงใช้มีดเดินป่าที่ยังขัดติดหลังอยู่ค่อยๆลิดน้ำไผ่ออกมาได้อย่างยากเย็นพอออกมาพ้นได้ก็รีบแจวอ้ามายังที่ตั้งแคมป์โป่งกระทิงนี้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 สถานที่เกิดเหตุสยองนั้นอยู่บริเวณไหนจากความช่ำชองปลุกปลงชนิดหลับตามองเห็นทุกตำแหน่งในอาณาจักรพงไพรแห่งนี้ดาดินเรียกบุญคำให้ไปนอนที่เตียงสนามหลังหนึ่งเพื่อตรวจ ด, ดูบาดแผลเวอะหว่าจากน้ำเกี่ยวซึ่งบางแห่งจัดว่าจะ ก, กันไม่ใช่เพียงแค่รอยขีดข่วนธรรมดาความเป็นแพทย์ของหลอนแสดงคุณค่าแก่คณะดเดินป่าให้เห็นชัดในยามนี้เองร้ายแผลของบุญคำถูกเย็บ สกัดกั้นด้วยยาฉีดป้องกันบาดทยักยาใส่แผลสดและยากินระงับปวดถูกนำออกมาใช้แง่ท า, ายทาหน้าที่เป็นบุรุษพยาบาลลูกมือของรอนในระหว่างที่หญิงสาวสารวจนอยู่กับบาดแผลของบุญคำด้วยความจำนานเคล่วครองปราศจากความรังเกียจเดียดฉันอันผิดไปจากบุ ค, คลิกที่เห็นโดยทั่วๆไปบุญคาประนมมือไหว้ท่วมศรีรษะในความปราณีเอาใจใส่เป็นอนดีตของนายหญิง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 สอบซักหาลือกับพรานใหญ่เงียบๆส่วนดารินภายหลังจากจัดการกบบาระบาดแผลของบุญคำเรียบร้อยก็ไล่ให้ไปนอนพักแล้วกลับเข้ามาร่วมวงด้วยอาหารข้ามพายในเต็นท์มื้อนั้นทุกคนรับประทานกันด้วยอาการเคร่งขึมบุญคำเป็นยังไงบ้างตอนหนึ่งชายยันหันไปถามหญิงสาวหม่อมละชวงหญิงยักไหลเย็บทั้งหมดรวมกันแล้ว22เข็ม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 เสียงพำมแซดดังไปในหมู่ของลูกหาบแสดงอาการพอใจนายเมย์ผู้เป็นหัวหน้าลูกหาบทั้งหลายพูดมาว่านายบอกกับเราอย่างนี้เราก็ดีใจเรากําลังอยากจะรู้อยู่ว่าทางเจ้านายใหญ่ท่านจะคิดยังไงที่ไอ้แหว่งฆ่าอินเพระอาะอินก็ถูกใช้ให้ไปทําตามคําสั่งของเจ้านายเราไม่ต้องการให้มีไอ้แหว่งอยู่ในป่านี้เหมือนเหมือนกับไอกุดเรารู้ว่าทั้งนายและพวกนาใหญ่ทั้งสามคนคงไม่ปล่อยให้พวกเราตายเปล่า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 ทำให้มองดูราวกับภาพปั้นวิธองแดงตาของหนุ่มชาวดงพเนจรทอดมือรอยจับอยู่ที่เปลวไฟในกองเหมือนจะตกอยู่ในห่วงผวังไอ้แหวง่งพลายเกเรอันเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของเขาในขณะ น, นี้ที่จะต้องปราบให้ได้หม่อมราชวงศ์หญิงดาลินวราลิศผู้หน้ากังวลเสียยิ่งกว่าเสือสมิงหรือช้างดุการเดินทางที่ยังทายเหตุการณ์ไม่ถูกเมื่อออกจากกลมช้างไปแล้ว ลายแทงของมังมหานรทาที่เขียนไว้เมื่อ400รปีก่อนขุนเขาพระศิวะมรกตนครเมืองรับแลขุมเพชรแห่งพระอุมาเทวีและท้ายสุดแง่ทรายเจ้าหนุ่มกรเหลียงผู้อาสาสมัครเข้ามาเป็นคนใช้ในนาทีสุดท้ายก่อนเชี่ยออกเดินทางมหาวิบากสิ่งเหล่านี้โอรมมนปนเปยยุ่งเหยิงอยู่ในห้วงคิดของรพินภัยวันจนไม่สามารถจะจำแนกถูก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 ทั้งในเวลาหลับและตื่นของระพินอนาคตการเปรียบเสมือนม่า น, นดำทึบบังสายตาของเขาอยู่ในขณะนี้ชนิดที่เดาอะไรไม่ถูกทั้งสิ้นแง่ซา ย, า ย, ยัางคงนั่งซึมนิ่งเป็นตุ๊กตาป้านอยู่เช่นเดิมเขาอยากจะรู้ขึ้นมาในฉับพลันว่าอะไรเป็นความคิดอ่านอยู่ในสมองอันลึกลับนั้นระพินจุดบุหรี่สูบเป็นตัวที่สองภายหลังจากดีดก้นของตัวเก่ากระเด็นหายเข้าไปในพงลกเบื้องหลัง ภายในเต็นต์ตะเกียงเจ้าพายุดับลงแล้วคงมองเห็นแต่แสงแดงริบหรี่ของตะเกียงรัวซึ่งตั้งไว้ที่โต๊ะสนามเป็นการตามไฟในเต็นต์ไว้ทั้งคืนส่องผ่านผ้าใบหนาของผนังเต็นต์ออกมารางๆงแสดงว่าคณะนายจ้างของเขาคงจะนอนกันแล้วสายตาของรัปีนเปลี่ยนจากร่างของแง่าสายไปทอดจับอยู่ที่เต็นต์หลังนั้นอีกครั้งเมื่อสังเกตเห็นแสงรางๆงภายในเริ่มจะสว่างชัดเจนขึ้นและเคลื่อนใกล้ๆเข้ามา ปรากฏชัดอยู่ที่ริมผนังด้านที่เขานั่งอยู่ใครคนหนึ่งภายในเต็นต์กำลังเคลื่อนย้ายตะเกียงรั้วจากโต๊ะสนามที่ตั้งอยู่ตรงกลางนํามันแขวนไว้ยังริมเต็น์ด้านนี้พร้อมๆคาถามที่เกิดขึ้นในสมองของเขาคำตอบก็ปรากฏชัดเจนออกมาในทันที oh. จากภาพที่เห็นโดยเงาสะท้อนของแสงตะเกียงซึ่งทาาติดอยู่กับผนังเต็น์เป็นรูปเงาดานั้นแม้จะเป็นเพียงเงามันก็เด่นชัด ร่างที่บางแสงตะเกียงทอดมาปรากฏอยู่บนผืนผ้าใบของกระโจมแทนจอพลิบตาเดียวเขาก็รู้ได้ในทันทีว่านั่นคือดารินวราลิตหม่อมละชวงหญิงคนนั้นเขาจำได้ว่าได้จัดบริเวณภายในของเต็นท์อันกว้างใหญ่ของนายจ้างด้านนี้ไว้เป็นห้องน้ำสนามหรืออีกนายหนึ่งห้องน้ำชั่วคราวโดยตั้งถังยางอันฟัดไว้เปล่าๆไว้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 เมื่อระพินมาหยุดอยู่ตรงหน้าแกบุกป่ามาทั้งวันแล้วแง่ายคืนนี้จะนอนก็ได้แต่หูต้องไวหน่อยเขาบอกเรียบๆถ้าผู้กองอนุญาตผมก็จะนอนกินกาแฟเสร็จพรานใหญ่ก็ ข, ขยับตัวจะผ่ดเลยไปแต่แล้วก็ชะงักเพราะเสียงห้าวๆของแง่ายที่เรียกเบาๆของหันกลับมาผมแวแวๆว่าพรุ่งนี้เจ้านายจะไปตรวจรอยอแหว่งตรงที่มันเหยียบรุกหาบตายใช่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 นี่แปลว่าเมื่อตะกี้นี้ใช่ผมบังเอิญนั่งอยู่ที่โขดหินหลังเต็นนั่นพอดีจะตะโกนบอกเข้าไปก็กลัวจะตกใจเลยเงียบกริบนั่งดูอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบนี่แนย่ยังมีหน้ามาบอกอีกขาดคำฝ่ามือที่ไม่สู้จะนุ่มนวลนักก็สะบัดชาดมาที่ใบหน้าของเขาแล้วเจ้าของฝ่ามือก็พะวิ่งผมปลิวกระจายหายรับเข้าไปเต็นอย่างรวดเร็วพรานใหญ่ขมวดคิ้วกระพริบตาปริบ ป, ปริบมองตามร่างงามไปจนรับตา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 คงมีแต่เสียงช้างที่แววตามลมมาจะขุกขาลึกครั้งสองครั้งแล้วผิดเงี่ยหูเมื่อแน่ใจว่าไม่ใช่โคขงของไอแ้แหวงเขาก็หลับต่อไปอีก